วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2538นับเป็นครั้งที่6ของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปัญญาโดยท่านอาจารย์สุเทพโ พ, พธิสัทธา บัด น, นี้ได้เวลาสมควรแล้วใครขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วสำหรับเอกสารที่จะใช้ในวันนี้คือเอกสารหมายเลขห้ากราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมะปฏิบัติทุกท่าน<ม>การบรรยายวันนี้เราจะใช้เอกสารชุดที่ห้า ซึ่งเป็นเอกสารที่ผมเขียนขยายประเด็นสุดท้ายของเอกสารชุดที่สี่ที่ทิ้งค้างไว้ในประเด็นที่เก้าที่ขึ้นหัวข้อว่ายาสาตปริญญาในยานหนึ่งกับยานสองก็ทีแรกก็นึกว่าจะอธิบายเพียงสังเขตแต่เพียงเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าประเด็นค้างอยู่ก็เลยมาเขียนอธิบายเป็นพิดานขึ้นอีก อีกเยอะนะที่ว่าเยอะก็คือเฉพาะครั้งนี้นั่นจะพูดเฉพาะยาตาปริญญาในฐานะของยานที่หนึ่งคือน้ํารูปฤกษ์ทญานแล้วก็คราวหน้าก็จะพูดยาตาปริญญาในฐานะของยานที่สองอีกครั้งหนึ่งเรื่องก็เลยพิสดารเพิ่มขึ้นกว่าความตั้งใจไปถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นความพิสดารมากจนกระทั่งทิ้งประเด็นหรือ เ, เลยขอเขยไปถึงจุดฟั่นเฟือ่ เ, อเรื่องยาตาปริญญาในวิปัสสนาญาณที่หนึ่งนะครับขอให้ท่านถือเอกสารชุดที่ห้าที่ขึ้นหัวประเด็นใหญ่ของเรื่องทั้งหมดว่ายาตาปริญญาในนามรูปปริเฉทยาน<ฤ>ก็คือวิปัสสนาญาณที่หนึ่งซึ่งกำหนดรู้แยกรูปแยกนามที่พวกเราทั้งหลาย ที่สนใจเรื่องการฟังวิปัสสนานั้นก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อยานนี้มาพอสมควรแต่ว่าถ้าจะหาะรายละเอียดกันจริงๆนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าไม่ได้เรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะไม่ได้เห็นความพิสดารและคำว่าเรียนโดยพิสดารเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะหาอ่านได้หรือได้ยินได้ฟังได้ก็คือในชั้นของวิสุทธิมักว่าได้เรื่องวิปัสสนาญาณที่หนึ่ง อแต่การที่ผมได้มาอธิบายเรื่องนี้นั้นผมไม่ได้พูดสรุปจากวิสุทธิมรรคแล้วก็ไม่ได้พูดผูกอยู่ในนั้นแต่ว่าได้เก็บเนื้อความขยายไปถึงชั้นพระตไตรปิฎกและแง่มุมบางอย่างหลายๆแง่นะครับซึ่งที่จริงก็ยังไม่หมดจดหมดเอียงเลยทีเดียวแต่ก็เชื่อว่าจะให้หลักใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องของยานที่หนึ่งไว้อย่างค่อนข้างจะครบทั่วดี ก่อนที่ผมจะอธิบายถึงวิปัสสนาญาณที่หนึ่งในฐานะที่เป็นยาตาบริญญาเนี่ยอยากจะพูดถึงตรงนี้ซะก่อนว่าญาณทุกญาณเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติอยู่สามส่วนเสมอกันหมดทุกญาณตั้งแต่ญาณที่หนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงญาณที่เรียกว่ามรคยานเลยทีเดียว ประการที่หนึ่งก็คือโดยความอย่างรู้ของยานหมายก็ว่ารู้อะไรนั่นเองยานนั้นรู้อะไรถ้าเรา ต, ตอบว่านามรูปมันก็กำปั้นทุบดินนะก็แน่นอนนะครับวิปัสสนาญาณทุกยานต้องรู้นามรูปแต่ว่าไอ้มุมหรือจุดหรือขอบเขตความตื่นลึกหนาบางของวิปัสสนาญาณที่รู้นามรูปเนี่ยแตกต่างกันและถ้าเลยขึ้นไปถึงมรรคญาณ ตามว่ารู้อะไรเรามองบนกระดานเราก็เห็นคําตอบที่เขียนอยู่ว่าคือรู้อริยสัจสี่นะฮะนั้นก็เป็นเรื่องของความอย่างรู้ที่ผมเรียนให้เห็นเป็นจุดคร่าวๆอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือพร้อมกับความรู้นั้นของอย่างทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการละจะละในขั้นชัดเจนสมบูรณ์เพียงไรเป็น สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าละอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่ายกขึ้นเป็นอธิการหรือละอย่างในลักษณะที่เป็นเพียงผลปล่อยได้ของอธิการตัวอื่นอย่างที่เราได้เคยพูดมาในประเด็นก่อนๆแล้วก็ตามเถอะแต่นั่นก็แปลว่ามีการละละในที่นี้ก็หมายถึงละกิเลสแหละก็ายานอะไรละกิเลสอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เราได้ศึกษาขอบเขตของสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นกฎเป็นเกณฑ์พอุกควเนี่ยก็จะทําให้เรามีดุลพินิษชัดขึ้นไม่งั้นเราก็มาสงสัยภายหลังคืออันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าอย่างบางบางท่านที่จัดการเรื่องงานบริหารวิปัสนาที่หนึ่งก็มาปรึกษากันถึงเรื่องของการตีค่าของหยาดกับการปฏิบัติ ก็เรียนว่าท่านตัวนี้นะท่านเป็นลูกศิษย์เห็นจะจะเรียกว่าก้นหรือไม่ก้นกุฏิของท่านเจ้าคูณวัดอัมพวันหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ว่าท่านคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่ที่นั่นมากแล้วก็ดูแลบริหารงานอ่นนี้นี่มันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาของตัวเองแล้วก็หลว ง, งพ่อกับผู้ปฏิบัติหลายๆพวกหลายๆก็มีปัญหาว่า คือเจ้าตัวนะก็บอกว่าเออคนผ่านยานสิพกเนี่ยผมก็แปลกใจว่าทําไมถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะก็คือเขาก็จะละนายว่าคื อ, อยังไงผมไม่พูดนะนะฮะทาไมถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่คือคนพูดเนี่ยเขาเป็นคนเรียกว่าได้มาตรฐานเขาก็ผ่านยานบาลอะไร น, นะทีนี้มันก็มีข้อที่อันนี้ก็เป็นคําเล่านะผมก็ยังไม่ได้ถามจากหลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านก็ชักจะชะงักว่าไปตีค่ายานเนี่ย เลยเมื่อขอยะพูดแล้วว่าใครไปได้ยานอะไรเพราะพูดแล้วมันมีปัญหาปัญหาทั้งที่คนที่เขาเรียนปริยัตเขายกเหตุผลขึ้นมาคารท่านท่านเองท่านไม่ใช่นักปริยัตนะฮะพอท่านไปทุ่มเตะคนหรือเป็นนักปฏิบัติในด้านอื่นก็เลยว่าก็จะพูดว่าตัดปัญหาคือไม่พูดถึงเรื่องยานให้มันมันเป็นข้อข้องใจแก่ใครต่อใครนะเอ่า เพราะว่าเมื่อมีข้อคลองใจแล้วเนี่ยเราจะอธิบายยังไงคนปฏิบัติถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคนปริยัติไม่ได้ปฏิบัติก็อธิบายได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไองอเองนะเพราะฉะนั้นบางคนที่ชอบแต่หลักการเรียนในปริยัติเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่มีปัญหาถึงปฏิบัติถึงปริยัติมีปัญหาผมก็เคยยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งได้ชาญ มันนั่งอยู่ตอนหน้าเนี่ยให้นักปริยัตวิเคราะห์ประเมินได้ไหมเอากันอย่างร้อยเปอร์เซ็นนี่ยได้ไหมคนที่ได้วิปัสสนาญาณ น, น, นั้นญาณ น, นี้ให้นักปริยัตกัดสินเนี่ยเอาล่ะถึงจะมีหลักมาพรานนั่นไอ้ข้อนี้ก็ผ่านข้อนี้ก็ผ่านข้อนี้ก็ผ่านแล้วบอกอยืนญาณร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมสําหรับผมนะผมไม่กล้าผมบอกไม่ได้สิ่งที่พอบอกได้ก็ในแง่ว่าถ้ามีอะไรติดลบเนี่ยพอบอกได้ อย่างนี้เขาบอกว่าองนั้นองนี้เป็นพระอาหารหันต์คนนั้นคนนี้เป็นพระอนาคามีเราพอเอาหลักในทางลบ่ะถ้าอนาคามียังโกรธอยู่เนี่ยถึงเราไม่ได้ปฏิบัติเลยสักวันเดียวนะสมมติเราเรียนมาเราก็รู้ว่าเป็นอนาคามีไม่ได้ในทางหลักคิดถูกก็ไปโทษหลักเอาก็แล้วกันไปเถียงกับหลักเนะแล้วเราเป็นผู้เรียนหลักมาเราก็บอกได้ว่าเป็นอนาคามีไม่ได้เพราะอะไร เพราะพระอนาคามีนั้นละโทสะแล้วละโทสะแล้วไม่มีโทสะหรืออนาคามียังทำการค้าและยังโกงคนอื่นเขาตามนำ้ำนิดๆหน่อยๆเนี่ยอนาคามีไม่ทำา อ, อนาคามีในชีวิตของท่านเหมือนกับพระพระดีๆองค์หนึ่งแม้ไม่ได้บวชก็ตามนะฮะ อนณาคามีไม่สวมแหวนเพชรไม่สวมนาฬิกาฝังเพชรเรื่องเรื่องวัตถุการมคืออันนี้ผมว่าตามหลักนะเ อ, อมีโอกาสทําไม่ตายจากกันแล้วก่อนนะตเตรียมไว้นานแล้วยังไม่ได้จองอย่าพูดเรื่องพระอริยะบุคคลเป็นประเภทประเภทไปให้มันเป็นเรื่องให้รู้กันไปเลยเอาหลักฐานมาว่าดิว่ายังไงนะตั้งแต่โสดาบันไปถึงอรหันเนี่ยเราก็จะได้พอมมีหลักเกณฑ์พาสมควรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า ที่เราวกปักมาตรงนี้ว่าเวลามีปัญหาเรื่องยานสมมติเราเองเนี่ยเราจะพิจารณานะะถึงเราจะเอา100ร้อยเปอร์เซนตกับตัวเองไม่ได้เราพิจารณาว่าเรารู้อะไรอธิบายส่วนแห่งความรู้ของเราได้ไหมว่าเรารู้ยังไงเวลาอาจารย์เขาสอบมันก็จะสอบตรงนี้แล้วก็สองเราระอะไรได้ถ้าขั้นปริญญาณนี่มันมรู้เกินละได้ใช่ไม่ใช่ เรารู้กิเลสทุกประเภทละไม่ได้สักตัวไอ้คนที่รู้เนี่ยเขาอาจจะดีกว่าเราต้องพลึกเพลอก็ได้เขาเรียกเาเรียกว่ารู้เกินละแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยนี่ผมก็เลยย้านิดนึงว่าถ้าปฏิบัติขั้นโลกียาณเนี่ยความรู้นั้นที่บุคคลได้จะมีบางส่วนที่เป็นความละถือว่าเป็นของสากลสําหรับทุกคนนะฮะส่วนที่มันเท่ากันแล้วมีอีกส่วนหนึ่งเป็นของลักลั่น ลักลั่นเนียหมายวามว่าใครที่สั่งสมมาอะไรเป็นพิเศษก็มีข้อลักลั่นอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นในขั้นของโลกุตละแล้วกิเลสใดที่ละได้ถือว่าหมดเกลี้ยงเท่ากันหมดจะมีส่วนเหลือที่ลักกิเลสส่วนเหลือนะั้ยังมีลักลั่นฟังให้ดีนะกิเลสที่ยังเป็นส่วนเหลือนั้นยังมีละละักลัล่นแต่ว่าในขั้นโลกิยเนยกิเลส ท, ที่ละ จะมีส่วนลักลั่นเพราะมันละแบบอตตางค์ข้ายกด้วยอย่างว่าทําไมคนที่เป็นนางวิสาขเป็นโสดาบันอย่างนางวิสาขาจึงไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นโสดาบันอย่างคนอื่นๆเขาเป็นคนอื่นๆเนี่ยหมายถึงว่าอย่างเช่นพระที่เป็นโสดาบันนะฮะทําไมไม่เท่ากันละไม่นางวิสาขาไม่บวชละทําไมพระถึงไม่ศึกละ ศึกมาเป็นอย่างนางวิสาขาหรืออย่างอพระเจ้าวิมีสารเป็นทําไมพระเจ้าวิมีสาร เ, เป็นพระโสดาและทําไมไม่สะละราชสมบัติละ่ะที่พระปุกุาตียังไม่ได้เป็นอะไรเลยสละล่วงหน้าจําได้ไหมสละล่วงหน้าสะละราชสมบัติล่วงหน้าถึงจะเป็นกษัตริย์เมืองเล็กก็ตามอันนี้คือกิเลสที่เหลือยังมีความลักลั่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเราจะต้องมาหาไอ้กิเลสที่มันเป็นจุดร่วม ที่บุคคลละได้ด้วยการถึงยานนั้นๆนนนนนให้ได้แล้วอย่าเอากิเลสส่วนเหลือเนี่ยมาเป็นข้อหลังเกียรติกันหรือใช้เป็นเกณฑ์วัดเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นภาระของเรานะที่จะต้องค่อยๆศึกษาคือเรานี่มันชอบง่ายๆนี่ธรรมดาทุกคนนะผมก็เหมือนกันถ้าอะไรที่จะเชื่อหรือจะเข้าใจได้โดยไม่เหนื่อยอะไรนักเราก็อยากจะน้อมรับแต่ว่า เราในใคล้ายๆว่าคนอยากรวยแต่คนหนึ่งขยนันคนหนึ่งขี้เกียจเหมือนกัน่ะเราในอยากรู้อยากเข้าใจอยากคีชัดว่าอะไรเป็นอะไรเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเวลาจะมาเอ า, อาเรี่ยวแรงมาทุ่มเทคนกว้าศึกษากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็ขี้เกียจเราอยากจะเชื่อ ง, ง่ายๆอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมดาสามัญเหมือนๆกันทั้งทางโลกทางธรรมนะก็เลย พูดไปพูดมาก็าแอบต่อว่ากันหน่อยก็แล้วกันแอบต่อว่ากันแต่ไม่ใช่ต่อว่าเพื่อให้เลิกนะก็ ค, คิดว่าเราจะได้รู้อ๋อนี่เราเป็นอย่างนี้จะได้ทุ่มเทให้พอสมควรแล้วถ้ายังไม่ได้ทุ่มเทก็ได้ขยับอะไรบางอย่างไว้ในการตัดสินใจพอสมควรทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือความหมดจดที่เรียกว่าวิสุทธิความหมดจดซึ่งมันเป็นของที่เกี่ยวเนื่องกัน รู้เมื่อไรละเมื่อนั้นละเมื่อไรก็หมดจดเมื่อนั้นไอตอนละน่ะมันตอนหนึ่งตอนหมดจดเนี่ยเช่นพระโสดาบันได้มักรยานละตอนนั้นแล้วก็หมดจดตอนนั้นส่วนหนึ่งมักรยานผ่านไปไปนอนเสียหรือไปทำกิจทำการอย่างอื่นทำมาค้าขายคลองบ้านคลองเมืองถามว่า ตอนนั้นไม่ได้ทํากิจละแต่หมดนางวิสาขาเนี่ยบรรลุโสดาเมื่อขณะกิจมขยานปรากฏตอนเจ็ดขวบละตอนนั้นรู้ตอนนั้นหลังจากนั้นนางวิสาขาก็ใช้ชีวิตธรรมดายอย่างผู้ครองเลือนถามว่านางวิสาขายังหมดจดจากกิเลสที่ละได้หรือกิเลสที่ละได้นั้ น, นมาทําให้หมดจดบ้างไม่หมดจดบ้างตอบว่าหมดจด ตลอดไปเลยเกิดอีกอกี่ชาติก็หมดจดจากกิเลสที่ละได้นี่คือความหมดจดแต่ระยะของความหมดจดถ้าคนได้วิปัสสนาญาณเป็นอัตาทางคะระยะขอเขยงความหมดจดก็ครอบภุมได้ไม่กว้างไกลไม่ยาวนานเหมือนอย่างผู้ดีบรรลุมากคยาะฉะนั้นไอ้สามประเด็นหลักนี่จึงเป็นดุลพินิจที่สำคัญ ที่เราจะใช้พิเคราะห์ตัวเองดูตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรและถ้าจะให้เหมาะเน่จะต้องให้มันได้ส่วนกันให้มันได้ส่วนกันหมายความว่ารู้กันละมันได้ส่วนกันหรือไม่ก็จึงไม่แปลกนะครับระดับอย่างเราเราเนี่ยเรารู้บางทีรู้ในมาตรฐานเดียวกันของสํานักใดสานักหนึ่งแต่ว่าการละมันอาจจะแตกต่างกัน เป็นส่วนมากเพราะว่ามันยังเป็นขั้นวิปัสนาญาณหรือขั้นเบื้องต้นอยู่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เราควรจะฟังไว้อันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดไว้เป็นหลักกว้างก่อนเนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นถึงแง่มุมมันมีทั้งแปลกแล้วก็จะว่า ลึกซึ้แค่ไหนก็ดวง อ, อันนี้ถือเป็นอธิบายนําทั้งยานหนึ่งยานสองไปด้วยกันก็นแล้วกันถึงแม้วันนี้หน้าที่ของผมจะพูดแค่ยานหนึ่งว่าไอ้ทิฏฐิทิฏฐิเนี่ย ถ, ถือว่าเป็นกิเลสเฉพาะหน้าเป็นปฏิปักษ์หลักของยานที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ผ่านยานที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยทิฏฐิหมดจากสันดาน ทิฏฐิมันมีหลายชั้นหลายระดับและยานที่หนึ่งที่เรียกโดยวิสุทธิว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะเอากิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นปฏิปักิเฉพาะหน้าคือเราเราย้อนกลับมามองอย่างชีวิตธรรมดาอย่างเราเนี่ยเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเรามีกิเลส ที่เป็นกิเลสหลักเฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนกันทุกคนใช่ไหมถ้าคนไหนเป็นคนขี้อิจฉาออกหน้ามีความเห็นแก่ตัวน้อยหรือมออีกิเลสตัวอื่นน้อยก็ถือว่าเฉพาะเราคนนั้นมีกิเลสตัวนั้นเป็นกิเลสหลักเป็นกิเลสเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือเป็นกิเลสที่เป็นปฏิบัติหลักของเราเป็นของเฉพาะหน้าของเราที่จะต้องแก่คนอื่นมีกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันแม้ความดีเราก็มีความดีที่เป็นของเฉพาะหน้าเป็นของดีของเรามุมดีที่เราดีกว่าอีกคนหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็แตกต่างกันอย่างนี้คราวนี้วิปัสสนาญาณเนี่ยเขาก็มีกิเลสที่เป็นกิเลสเฉพาะหน้าที่จะต้องละยกขึ้นมาเป็นตัวหลักซึ่งก็ไม่ได้ไปแปล ว, ว่ากิเลสอื่นไม่กระทบเตื อ, อน กระทบกระเตือนเหมือนกันแล้วก็มีส่วนในการละเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวออกหน้านะฮะยานที่หนึ่งมีทิฏฐิเป็นกิเลสหลักยานสองมีอะไรเป็นกิเลสแค่พา่อหน้าเป็นปฏิปักษ์ที่เรียกว่าน้ำหนักเท่ากันความดีกับความชั่วรุ่นเดียวกันที่จะขึ้นไปต่อกอนกันได้อะไรรู้ไหมกายพอจะนึกได้ตอบออก วิจิตกิจฉาที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากังขา่ะกังขานี่เป็นชื่อของวิจิกิจตากิเลสเพราะฉะนั้นยานที่สองท่านจึงเรียกผู้ที่สําเร็จยานสองว่าเป็นผู้หมดโจรจากกิเลสเลยจากวิจิกิจฉากิเลสคือกังขาวิตรณวิสุทธิาจาตปริญญาที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยจึงเป็นเป็นพาละ อกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูของยาตาบริญญาเมื่อยาตาบริญญาคล่อมสองอยางกิเลส ท, ที่เป็นกิเลสหลักของบริญญานี้ก็คือทิฏฐิกับวิจิกิจานะทีนี้ไอ้นี่คือตัวกิเลสแต่ตัวอารมณ์ของกิเลสเนี่ยบางทีมันอารมณ์เดียวกันแต่กิเลสมันเข้าไปอาศัยเกิดต่างตัวกันตรงนี้ผมต้องค่อยๆพูดเช่น ปลาลบเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องกรรมเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องกรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ใช่ไหมผมไม่ต้องอธิบายว่าอารมณ์คืออะไรให้ใ ห, ให้เมื่อยปากนะสาหรับที่นี่ใครไม่เข้าใจก็เห็นจะต้องขอละเลยท่านไว้กิเลส ต, ต่างตัวแต่ว่ามาเล่นอารมณ์ประเภทเดียวกันเอาหรือว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ย คิดที่จับก็คิดไปอย่างหนึ่งในตัวเราวิจิจิชาคิดก็คิดไปอย่างก็ตัวเราตัวเดียวกันนะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นมานะกิเลสคิดมันก็คิดไปอย่างก็ตัวเราคนเดียวกันแหละนามรูปนั่นแหละครับเอาความง่ายๆว่าอารมณ์คือนามรูปกิเลสมันเข้าไปเกลือน ก, กลัวไปเล่นไปคิด ด้วยประการอย่างที่กิเลดมันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นคนคนเดียวกันนะไม่ถูกเขาโกรธบ้างไม่ถูกเขาเกลียดบ้างไม่ถูกเขาชอบบ้างไม่ถูกเขาอิจฉาบ้างได้หรอกใช่ไหมละ่ะมีใครบ้างที่คนไหนที่มีเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ที่คนเห็นแล้วเกิดกิเลสอย่างเดียวกันหมดเลยไม่เปลี่ยนเลยต ล, ลอดไปเลยมันก็ไม่มีใช่ไหมยิ่งว่าใครเห็นเราแล้วก็โกรธทุกคนเนี้มีไหมในโลกนี้ ไปเห็นเราก็โอยรักไปหมดทุกคนมันก็ไม่มีอ่ะกิเลสมันก็มาต่างตัวกันทีนี้ตรงนี้นะผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้เราผมกล่าวถึงตัวนามตัวรูปเนี่ยนามรูปที่เป็นอารมณ์ของกิเลส โดยในที่นี้ผมกล่าวอย่างชนิดที่เอาทิฏฐิเป็นตัวตั้งตามหลักของยานที่หนึ่งก็แบ่งทิฏฐิเป็นสามระดับใครอ่านเอกสารล่วงหน้าแล้วก็พอนึกเชื่อมต่อได้กระดวกหน่อยแต่ยังไม่ได้อ่านก็อย่าเพิ่งอ่านตอนนี้มันมีสามชั้นหรือสามระดับคือทิฏฐิชั้นต่ําคือนามรูปที่อยู่ใน ฐานหน้าที่เป็นอารมณ์ของทิฏฐิเนี่ยการจัดระดับตามระดับสูงพยายามเอากิเลสตัวอื่นมาจับเนี่ยร ะ, ระดับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ถือที่ผมึงบอกมันเป็นมุมแปลกมุมแปลกแต่แปลกด้วยความสมเหตุสมผลของธรรมะทิฏฐิชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำ อันนี้เราเอาดูหลักว่าอย่างความเห็นว่าตายแล้วศูนย์เงี่ยชั้นสูนงกับชั้นต่ำต่ำตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีถือวิงกิเลชั้นต่ำนะนี่ยกมาเป็นสองหมดนี่ยตมิฉาทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิสิทธิทิฏฐิสิทสเห็นพ่อแม่ไม่มีคุณโอภัตกะศาสตร์ไม่มีไม่มีสมณนนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเงี้ยนะก็ถือเป็นทิฏฐิชั้นต่ำ มันก็ควรจะเรียกว่าต่าอ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าไว้แล้วนะก็คัดหลักฐานมาให้ดูในเอกสารที่ได้แล้วเหมือนกันแล้วว่าพวกนี้ถ้ายังไม่ละทิฏฐิตายแล้วไปไหนไปที่สูงหรือไปที่ต่ําพฤติกรรมสูงหรือพฤติกรรมต่ําถ้ายังไม่ตายนะก็ต่ําต่ําอย่างนั้นเห็นเลยแล้วก็มันต่ําก็อย่างเช่นนี้ที่ว่าคนในโลกนี้คนส่วนมากมักจะไปต้องความคิดอย่างนี้ได้โดยง่าย ชักชวนอธิบายชักจูงมาทางนี้ได้อยู่โดยง่ายแต่ว่าที่มีบางระยะคนมีสัมมาทิฏฐิมากเพราะได้รับความเกื้อกูลจากอรยานามิตรที่บอกไว้แล้วก็สังคมยังยึดถือกันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นความคิดก็อยู่ในข่ายของความเห็นที่ถูกต้องแต่ว่าไอ้ถูกต้องในบางทีมันก็ไม่ครบหมดบางทีก็สิบนี่มไม่ได้ครบสิบขาดข้อนั้นข้อนี้ไปบ้างแต่ว่าพวกนี้นะก็ถือว่าอุ่นใจได้แล้ว ยังไงก็ไอไ้ความเห็นถูกบางข้อเนี่ยได้ยกระดับจิตเอาข้ออื่นมาเติมก็เติมได้สะดวกชั้นกลางเนี่ยครับที่เรามักจะสอบไม่สอบไม่ผ่านไม่ผ่านถึงขนาดว่าเราไม่พูดถึงเจ้าบ้านทั่วไปถึงคนที่มาเล่นกับพระพุทธศาสนาขั้นวิปัสนาจะไปมรรคไปผลมนิมาน ถ้าไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ไปไม่ได้คือทิธีกลางๆได้แก่อาหางการมามังการเห็นว่าเราของเราตนของเราคือเรื่องเกี่ยวกับอนาณตาพวกนี้เห็นเป็นอาณาาเห็นนามรูปเป็นอาตตาเราเป็นอาตตาคนอื่นเป็นอาตตาถ้าเอาตรงนี้เข้ามาใส่แล้วลราก็ เรียกว่าวิปัสนาของบุคคลนั้นถูกตอนถูกตอนเลยทําแล้วไม่เป็นวิปัสนานี่ว่าโดยหลักการว่าโดยหลักการในในคัมพี์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็นสงสัยทําไมต้องพูดอ้างหลักการก็รอ้างไว้เผื่อกลัวเขาะจะคนเขาจะหาเป็นเรื่องของผมนะก็เลยให้ให้เป็นหลักการนะหลักการนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็สักกายะคิดถี มันก็เป็นเรื่องพวกเดียวกันนะคะรัตากะยะทิฐีเช่นเห็นว่ารูปเป็นอตนมีอยู่ในรูปรูปมีอยู่ในตนรูปเป็นตนนามขันเป็นตนตนมีอยู่ในนามขันในตรงนี้นะ่ะคิดขวาไปควายมาด้วยประการต่างๆถือว่าเป็นทิฐิชั้นกลางซึ่งทิฐิชั้นต่ําเนี่ยกั้นสวรรค์เปิดทางอบาย ปิดทางสวรรค์แต่ทิศที่ชั้นกลางนั้นกั้นวิปัสสนามกผลแต่ไม่ปิดทางสวรรค์แล้วก็ไม่กั้นฌานนาฌานก็ไม่กั้นนะถ้าพูดถึงระดับของคุณธรรมเนี่ยฌานไม่กั้นบุญกุศลต่ำกว่าฌานก็ไม่กั้นเมื่อไม่กั้นบุญระดับนั้นก็ไม่กั้นวิบากของบุญในระดับนั้นว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนไม่ได้ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้ไม่กั้น แต่กั้นบรรลุมรรคผลและกั้นเหตุที่ทําให้บรรลุมรรคผลคือวิปัสนาญาณ น, นี่อันหนึ่งทีนี้เรามานึกดูว่าคนที่เชื่อเรื่องอนาาัตตาเข้าใจเรื่องอนาาัตตาทราบถึงอัมวิปัสนาได้ ว, วิปัสนาญาณหรือไม่ได้เข้าใจหลักการดีเริ่มทําตั้งอารัตถาวิปัสนาถามว่าคนคนนั้น คนจากความเข้าได้รับความแจมแจ้งในเรื่องมรรคผลด้วยหรือไม่ไม่แน่เดี๋ยววัจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าทั้งเอาเป็นว่ายกอย่างเป็นสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลอย่างในลังกายุคที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างพฟื่องฟูสมัยก่อนรุ่นดีกาคือรุ่นรุ่นอัตตะขาถอยไปเนี่ยเก่งวิปัสสนาแล้วก็รุ่นอัตตะขาถอยขึ้นไปนั่ น, น่ะว่ากันว่ามีอรหันเยอะ คือว่าหลังจากที่ธรรมะได้ไปฉุดพวกมีบา ร, รมีในยินเดียเป็นพระอริยะกันไปแวเรียกว่าหมดหมดรุ่นหมดคราวหมดตัวกันไปแล้วพระพุทธศาสนาเข้าไปลังกานะฮะก็มีพวกมีบา ร, รมีไปตกคราสกันอยู่ที่นั่นธรรมะก็เข้าไปทำให้เป็นพลลระอรหันต์กันในยุคนั้นมากมายก็มียุคที่เป็นยุคปฏิบัติเฟื่องฟู ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตกทอดมาเป็นเป็นปริยัตในชั้นล่างหลังหลังจากพันปีถอยมาทิศที่ชั้นสูงเนี่ยเรื่องความเห็นผิดเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเอาละเรามาพูดว่าอย่างเราเนี่ยหรืออย่างใครใครที่ไหนก็ตามที่เขามีการศึกษาเข้าใจเรื่องมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไร เราคิดหรือไม่เราแน่ใจหรือว่าเมื่อเราจะต้องไ ป, ไปเผชิญหน้ากับไอการตัดสินใจเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เราจะผิดไม่ได้ผิดได้ว่าผิดได้ด้วยเหตุหนึ่งกำลังญาณเรากำลังความรู้ในทางวรยัตดุลพินิจของเราในขณะนั้นไม่เพียงพอสองกับไอการที่กิเลสมันเข้ามามาแทรกคนเราเนี่ยถ้ามีปัญญาอยู่ดีๆแล้วไม่มีกิเลสมา ก, กวนมันก็ ปลอดภัยได้มากหน่อยใช่ม่ะแต่กิเลสมันเข้ามาแทรกพอเข้ามาแทรกนั้นมันเขาเรียกว่าทาปัญญาให้เสื่อมถอยเปิดทางให้กิเลสตัวอื่นเข้ามาก็เกิดความเข้าใจผิดเอาอย่างนี้ว่าเป็นตัวอย่างอย่างรุ่นสมัยก่อนปฏิแรกก็ปฏิบัติมาดีตอนหลังลาบสการลาผู้คนเข้ามานับถือตัวเองก็แปลกใจว่ ทีแรกเราก็ไม่ได้ตีค่าว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่เห็นคนมานับถือมากก็เลยนึกแถมค่าให้ใครมันแถมให้กิเลสมันแถมให้เลยเกิดภาวะหลงตัวเองทีนี้พอหลงตัวเองหนักเข้าหลงไปหลงมาธรรมะมันสุดตับกิเลสอื่นมันก็เข้ามากู้หน้าไม่ใช่ใช่ธรรมะเข้ากู้หน้านะ แต่ธรรมะก็กูน้น้าคือเอ้นี่ไม่ไม่ได้แล้วอย่างบางท่านเราต้องไปทํากรรมฐานเราต้องหลีกออกกลัวการครุกคลีกลัวอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ละไปปฏิบัติฟื้นตัวเองใหม่อย่างนี้ก็กู้ได้แต่ไอีวิธีกู้อันหนึ่งก็คือกู้ในใ่ไปกู้ความรู้สึกคนอื่นขึ้นแต่ตัวเองยังเป็นอย่างที่เป็นคือ ธรรมะเนี่ยตกต่ําตกแตกหมดแล้วแต่กลัวคนเขาจะไม่นับถือนะก็กูอย่างอย่างพระเทวทัต ด, ดิ้นรนอย่างนี้เป็นตัวอย่างชานแตกแล้วอะไรแล้วก็ต้องพยายามกู้ไว้ด้วยวิธีการตามนั้นคนเราเนี่ยถ้าลองกล้าทําความชั่วได้มากเท่าไหร่ก็กล้าโกหกได้อย่างไม่ละอายเท่านั้นจริงไหม ผมยกตัวอย่างเรื่องชัดๆว่ า, าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเ้าก็มีครองครูชีวิตครอบครัวมาไม่เคยหวานปากหวานอะไรเป็นพิเศษนะเป็นคนหวานมาเคยเป็นสงสัยบวชเป็นพระหลายชาติแค่นี้ต่อมาก็เกิดไปประพืินอกใจหลังจากนั้นเนี่ยหวานจ่อยเลยหวานทำไมรู้ไหมหวานเคลือบยาพิษเ้า อันนี้เป็นพิรุดแหละข้างไอ้ที่แรกก็ข้างที่บ้านก็นไม่รู้เอ๊ะทาไมทีนี้หวานก็นึกว่าเอ๊ะนี่เขาคงจานึกกลับเนื้อกลับตัวได้นะคือเพิ่มไอ้อะไรตาอะไรได้ให้ประพฤติโดยวิธีถูกใจตัวเองก็ผาโถงความรู้สึกไปในที่สุดก็จับได้ว่าเขานอกใจนั้นไอ้หวานนี่ไม่ใช่วาหวานตบตาก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดหวานอันนี้ก็เป็นธรรมดา คล้ายๆกันเพราะนั้นจึงไม่แปลกว่าคนที่ทำความชั่วมากมาเวลาพูดและถ้าเราเชื่อแต่คมพูดเนี่ยก็อาจจะเอาความรู้สึกว่าเออเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่รัฐบาลไงก็ได้ทีนี้เรามาดูไอ้แง่มุมหลักๆที่จะชี้ให้เห็นเป็นมุมแปลกก็คือว่าพูดถึงการละเนี่ยก่อนทิฏฐิชั้นต่ำดูทิฏฐิชั้นต่ำ ยานที่หนึ่งเนี่ยละทิฐิชั้นไหนไม่ใช่ชั้นสูงแล้วก็ไม่ใช่ทิฐีชั้นต่ําไอ้ทิฐีชั้นต่ําไม่ใช่ปฏิปักหลักเฉพาะหน้าไอจ้จะไปปฏิปักษ์หลักเฉพาะหน้าคือทิฐีชั้นกลางเรื่องตนไม่ต้นเนี่ยแหละครับความเข้าใจเรื่องนามรูปโดยความเป็นตนหรือไม่ใช่ตนเนี่ยไอ้ทิฐีชั้นต่ําเนี่ยฐานะของผู้ปฏิบัติจะต้องละมาก่อน ด้วยตาทางฆ่าปาหารขั้นปริยัตใครที่ฟังธรรมะกันมาพอสมควรเนี่ยก็จะนึกออกอและในเอกสารนี้ก็ได้ชี้ไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าอาทิพรหมจันทร์มีสองอย่างอาทิรารพรหมจันทร์แปลว่าสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของผู้ที่จะพึงปฏิบัติศาสนาปรุมรมัครหมุมจันทร์ก็พูดง่ายว่าคนที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยที่มีคุณลัมบัี่อย่างลึกซึ้ง อย่างครบจะต้องมีคุณลำบัติสองอย่างอย่างหนึ่งคือศีลเราไปดูกันให้เห็นชัดๆเลยผมคัดเนื้อความในพระไารไปดกมาให้ดูเพื่อให้ฟังเป็นหลักฐานขึ้นสักหน่อยประเด็นที่เจ็ดนะครับอาที่ิพรหมจันท์ใครฟังเรื่องสติปัฏฐานทางยุทธ์นะก็จะผ่านหูท่านมาแล้ว ที่ตัดเนื้อความในพระสูตรนี้มาว่าดูนะอาธิพรมอาจารย์ประเด็นที่เจ็ดครั้งนั้นท่านอุตติยะซึ่งเป็นเพลสะพระเจระรูปหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเนื้อความคล้ายกันคือท่านพระพาหิยะซึ่งไม่ใช่ทารุจริยะคนละองค์กันทั้งสองท่านนี้มาบวชแล้วก็ประสงค์จะทำวิปัสสนาอย่างอาจิงอาจังก็เข้าไปฟาพระผู้มีพระพาถึงที่ประทับ และได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประธานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจักพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิดถ้าเราอ่านาพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะพบข้อความอย่างนี้จากพระเนี่ยค่ะเป็นร้อยรูปเลยที่มาเพื่อขออย่างนี้ ขอไปแล้วประสบความสําเร็จก็มีขอไปแล้วก็ประสบความไม่สําเร็จก็มีไปเที่ยวสองจึงประสบความสาเร็จเที่ยวสามประสบความสําเร็จก็มีมาแก้มาต่อเติมหลักภายหลังมาที่ว่าแสดงธรรมโดยย่อเนี่ยหมายถึงย่ออย่างชนิดที่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าแสดงด้วยบทเพียงเท่าไหร่พยัญชนะเพียงเท่าไหร่ที่จะทําให้ภิกษุรูปนี้เข้าใจวิปัสนาภูมิและนำเอาไปปฏิบัติได้นะ มันบางที่บางองค์ขอย่อแต่โอ้โพิสดารกว่าอีกองสังเยอะบางองค์ไม่อขอย่อก็ให้ย่อซะแค่ไม่เต็มบรรทัดแล้วเอาไปปฏิบัติก็ปฏิบับติบรรลุได้แต่ละคนไม่เท่ากันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอุตยะหรือดูก่อนพาหิยะเพราะฉะนั้น หรือเพราะเหตุนั้นเนะี่ยเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมคำว่ากุศลธรรมตรงนี้นะ่ะทรงหมายเอาวิปัสสนาและเลยไปไปถึงมรรคผลด้วยเรียกว่ากุศลธรรมหรือบางที่เรียกว่าพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์และคำว่าเบื้องต้นก็คืออาทิอาธิกุศลอาธิพรหมจรรย์อะไรเป็นเบื้องต้น ถ้าไม่มีอันนี้แล้วทาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็บรรลุไม่ได้เนี่ยท่านบอกว่าทําให้บริสุทธิอ์อะไรบริสุทธิ์ตอบว่าถามว่าธรรมะบริสุทธิ์หรือกิเลสบริสุทธิ์แก็ตอบอย่างนี้ฮบริสุทธิ์ในหมายถึงพอริสุทธ์จากกิเลสที่บุคคล น, นั้นประพฤติอาธิธรรมอาจารย์ข้อนั้นจะพึงบริสุทธิ์ได้ นั้นพูดว่าธรรมะบริสุทธิ์แต่หมายถึงบริสุทธิ์กิเลสก็คือคนบริสุทธิ์จากกิเลสได้วยธรรมะเบื้องต้นนะ <c oughs> ทีนี้ตรัสต่อไปในชัดเจนว่าก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและตรงนี้ไม่ต้องอธิบายอย่างเราก็ไม่ต้องอธิบาย้ะเราก็เก่งเท่าๆกับท่านอุตย่าแหละไม่ต้องอธิบายแต่ถ้าว่าไปพูดในที่ทั่วไปในต้องอธิบายศีลบริสุทธิ์อะไร สีนคอนไหนอันนี้ก็เขาไม่มีพื้นฐานก็ต้องอธิบายแต่อย่างนี้ไม่ต้องอนี่คือสิ่งที่อย่าลืมแล้วก็ข้อสองต่อมาตรัสว่าและความเห็นอันตรงผมใส่ภาษาบาลีมาด้วยเพื่อเห็นรูปศัพที่สั้นเรียบโดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิอุชุกะอุชุกะอุชุแปลว่าตรงนั่นแหละครับตรงก็คือถูก ที่ในกรรมบดสิบเรี่กที่สู่ชุกรรมทำความเห็นให้ตรงและคำว่าความเห็นตรงตรงนี้คือเห็นอะไรมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือความเห็นทั้งหมดอย่างที่ผมเขียนเป็นปีกโยงขึ้นวางบนเดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่ายอย่างสำคัญที่สุดเนี่ยครับอย่างสำคัญที่สุด ที่จะต้องชัดเจนที่สุดนั้นก็คือความเห็นเบื้องต้นตัวนี้ค่ะที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์หลักเป็นความชัดเจนหลักที่คนคนนั้นต้องชัดเจนตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่ง ท, ที่ควรเชื่อเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้ขวางแค่นกครกเอไอ้นรกมันขวางขวางนรกเอ้ไม่ใช่ขวางสวรรค์ มันก็ไม่ต้องพูดถึงนิพพานนิพพานมันยิ่งขวางเลยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นในระดับทัานบอกชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ประทัดปฏิบัติที่ศาสนาจะไปมรรคไปผลเนี่ยก็บอกขวางสวรรค์ขงเอาสวรรมาทํานองบอกไว้คือไม่ใช่ครัวแต่มาพูดให้ทั้งวรไว้ถ้าจะไปมรรคผลก็บอกว่านิขวางมรรคขวางผลบรรลุไม่ได้นะ่ะก็ไอคนอย่างนี้นะขนาดบุญทานการกุศลมันยังไม่คิดจะทําเลย ไอ้ไม่คิดทําความดีธรรมดามันก็อย่างใจมันยังเอ็นไปตังแล้วจะไปพูดเรื่องทำวิปัสสนานะผมถ้าจะมันจะทํามันก็ไม่ได้ทําจริงอะ่ะทําเพื่อเอาธรรมะมาม า, มาตบตาคนตบตาคู่ผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะอจะไปสมมติว่าจะไปหาความนิยมกับคนเข้าวัดมันก็ต้องไปทอดกระถินทอดป่าป่านะเอานุ่มเขาก็ต้องไปห่มกขาเขาแต่ไม่ได้ห่มเอาสีลเราหอมเอาอย่างอื่น อย่างที่จะเอาในกรณีของคนนั้นๆอันนี้ก็พูดอย่างคว้างๆนะแต่ว่าเรื่องนี้เห็นกับตามาจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นอันนี้จึงเป็นเบื้องต้นที่จะต้องเชื่อเราก็ได้ความได้คำเหนียกอันหนึ่งว่าถ้า เราจะดูเนี่ยนี่พูดว่าเราเป็นผู้สแสวงหากัลยาณมิตรเราจะดูเจาะไปที่ใครก็ตามเถอะเราก็จะสอบในส่วนศีลอันหนึ่งบางทีศีลผ่านแต่ว่ามาติดตรงนี้ถ้ามาติดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าโดยหลักการแล้วพึ่งไม่ได้พึ่งในจุดนี้ไม่ได้และเราก็แทบถ้าเราเชื่อหลักการเนี่ยเราก็แทบจะคิดปักลงไปได้ว่า ถ้าที่นี่เขาพูดเรื่องวิปัสสนามากผลแล้วก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเลยไม่ใช่ไม่ใช่นักปฏิบัติเนี่ยนะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านนะอ่าทนี้ถ้าผ่านไปแล้วจะไปสุดยอดแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องลหะเพราะฉะนั้นความเห็นตรงส่วนนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญต้องมาก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือความเห็นอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น เราเรียนปริยัติเนี่ยเราถึงทำความเข้าใจเรื่องความเห็นอันนี้ให้ชัดความเห็นขั้นกลางให้ชัดมรรคผลให้ชัดเราอย่าบน่นอย่าพูดว่ามรรคผลโน้มยังไกลสุดเอือ้อมอีกกี่กับกี่กันจะได้บรรลุ ก, ก่าไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันต้องทำความเข้าใจเพราะมันเป็นสิ่งต่อเนื่องกันเพราะเราจะทำอะไรที่ไหนจะไปไหนไอ้ที่จะไปเนี่ยเราอยากไปไหม สมมติเราเราบอกว่านิพพานอย่างนี้ไม่อยากฟังไม่อยากไปนิพพานอย่างนี้อยากจะไปนิพพานอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็ก็ไปทําอย่างอื่นเพื่อจะไปนิพพานอีกแบบหนึ่งตามแบบที่บอกแต่พระพุทธเจ้าในเวลาท่านแสดงท่านจะแสดงกำกับไว้อย่างน้อยๆก็ทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าจะพูดถึงาการแสดงเพื่อผลในทางการปฏิบัติถ้าโปรดกันได้ธรรมะขั้นเนี้ย ก็จะพูดเป็นลักษณะพูดแล้วเรียกว่าถ้าเราอ่านพระธรรมดกหรือฟังพระสูตรกันมาเยอะๆเนี่ยจะมีการอธิบายชี้ชัดลงไปเป็นกรณีวัตตะกับวิวัตฏะสองอย่างคู่กันเสม อ, เ, อเพราะฉะนั้นภาระที่เป็นเรื่องทิฏฐิเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็นปฏิปักษ์เฉพาะหน้าของยานที่หนึ่งทิฏฐิเองเนี่ยมีสามระดับโดยอารมณ์ อารมณ์หยาบทิฏฐิก็หยาบอารมณ์กลางทิฏฐิก็กลางอารมณ์ละเอียดทิฏฐิละเอียดนะฮะทิฏฐิตัวเดียวกันคือทิฏฐิเจตสิกสามระดับนี้ที่เป็นปฏิปักษ์ของยานที่หนึ่งก็คือขั้นกลางเพราะไอ้ขั้นหนึ่งเนี่ยมันละมาแล้วด้วยปริยัติด้วยหลักทิษฎีแต่การเรียนทิษตีเรื่องอนัตตา อัตมาเนี่ยไม่มีผลที่จะทําให้ถอนความรู้สึกตัวตัวตนตเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนเท่ากับการปฏิบัติเห็นด้วยยานที่หนึ่งเห็นหมฮะแต่มักผลเป็นไงขั้นสูงยังไม่รู้แต่มันก็มีร ะ, ะคายระคายบ้างแต่ยังไม่มีผลที่จะไปเพิกถอนหรืออุ่นใจได้ว่าเราจะนับแต่นี้ไปจะเข้าใจมักก็ใจผลไม่ผิดแล้วไม่ไม่รับกันประการขนาดนั้นมาดู ตรงนี้นิด น, นี่ผมเขียนว่าขั้นภาวนาเนี่ยนะต้องละด้วยขั้นภาวนาทิศทีแต่ละอย่างเนี่ยก็มรรคผลก็ละอย่างขั้นหนึ่งแล้วก็ยาตาปริญญาละขั้นหนึ่งที่นี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะ่ะที่ผมบอกว่าเปนมุมแปลกเป็นมุมแปลกต้องทำมะแต่สมเหตุสมผลว่าพอมาถึงยานสองแปลกว่าทําไมมันย้อนกลับไป เอาเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามาเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอีกตรงนี้ถ้าหากว่าเราพูดกันสำหรับที่นี่แล้วก็เราก็ร้องอ๋อว่าอารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยคือไอ้เรื่องตายเรื่องเกิดเนี่ยถ้าทิศฐิมันเข้ามาคิดมายุ่งเรื่องตายเรื่องเกิดถ้าพูดยังไม่เกรงใจคนใหม่เลย เรื่องตายเรื่องเกิดที่เป็นอารมณ์ของทิฏฐิปริยัติช่วยได้นะฮะเป็นของเฉพาะหน้าในด้านปริยัติสุตตะเมยะปัญญาแต่เรื่องตายเรื่องเกิดที่เป็นอารมณ์ของวิจิกิจฉาลังเลเราลังเลไหมเราเนี่ยเราก็เชื่อโดยหลักการค่อนข้างเจรินิดหน่อยว่าตายแล้วเกิดแน่กรรมมีแน่ นะ ไ, ไอ้ที่จะเปลี่ยนไปยิ่งมาไม่ห่างวาดัดห่างธรรมะเนี่ที่จะโอกาสเปลี่ยนยากแต่ถามว่าเผลอๆมีเคลือบแคลงไหมมีไหมเผลอๆมีเคลือบแคลงไหมเอ๊ะเอ๊ะทําไมคนทําบุญทุกเป็นอย่างนี้เอ๊ะทําไมคนไปทําวิปัสสนาทึกเป็นอย่างนี้นะหรือเอ๊ะทําไมลิพานคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดเอ๊ะทาไมยานนี้คนเราก็ เแคลงบ้างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตายเรื่องเกิดที่เป็นอารมณ์ของวิจิกิชากิเลสเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้กับกิเลสหนึ่งเป็นภาระของสุตตายานเรื่องนี้ของกิเลสหนึ่งเป็นต้องกลายมาเป็นภาระของยานที่สองยานที่สองจึงเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิกิเลสคือวิจิกิชา แต่มีอารมณ์เป็นชั้นต่ำของทิฏฐิเอาละรู้ไม่รู้ผมผมจบแค่นี้นะใช่ฮะกังขาวิวตตนะวิสุท ธ, ธิโดยวิสุท ธ, ธิแต่โดยปริญญามันอันเดียวกันนะก็อันนี้ก็พอไปถึงยานสองก็จะอธิบาย ข, ข้างๆพิสดารขยายควาออกไปหน่อยทีก็ได้นะอันนี้ถึงบอกมันเป็นมุมแปลกใช่ไหม เออไอเรื่องนี้มันเรียนรู้ก็น่าจะรู้แล้วแต่พอไปถึงตอนนี้ท่านเปลี่ยนกิเลสแหละไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่เปลี่ยนกิเลสนะฮะไอเรื่องเรื่องต่ําแต่กิเลสสูงมันก็เลยกลายเป็นพาระของยานสูงขึ้นตรงนี้จบทีนี้ไอที่จะดูที่ให้ดูต่อไปเนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราจะได้พารนาสืบต่อไปด้วยนะครับคือเรียกว่าทิฐิปริยาปณนะกิเลส คำปริยาปันะแปลว่านับเนื่องกับความเห็นผิดมันเป็นของนับเนื่องกับความเห็นผิดความเห็นผิดนั้นเป็นกิเลส ต, ต้น ต, นต่อของไอพฤติกรรมเหล่านี้คือกิเลสอื่นอีกสามเนี่ยคือบุคคลเมื่อเห็นผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กําลังจะกล่าวถึงเนี่ยเห็นผิดชั้นต้นกับชั้นกลางเน้นตรงนี้ ความจริงก็เลยไปถึงชั้นสูงด้วยมันลับกันหมดเลยถ้าบุคคลเห็นผิดว่าอยากจะไปนิพพานสําคัญว่ากามคุณเป็นนิพพานสําคัญว่าฌานเป็นนิพพานปฏิปทาจะต่างกันถูกไหมล่ะเป็นการมะสุ ข, ขันธ์รืกานุโยคเป็นอัตตะกรรมฐานนุโยคแตกต่างกันไปเกิดจากทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอ้ทิฏฐิ พอไม่เพ่งถึงไอ้ความมุ่งหวังชั้นสูงจะไปนิพพานน่ะนี่พูดถึงนอกศาสนาอย่างสมัยพุทธกาลให้เห็นชัดพวกนี้ก็มีสีและพลศต่างกันหาปฏิปทาสีและพลศนั่นคือปฏิปทาเองว่าจะทำยังไงทรมานตัวบ้างอะไรบ้างแม่พระพุทธเจ้าเราก็เคยทำการทรมานด้วยประการต่างๆเราพึดสารพัดเลยเรื่องศีละพลนศนี่โอ้โห พี่ลึกกึกคือสมัย ใ, ในยในอินเดียสมัยก่อนแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่และแม้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธถ้าเกิดความเข้าใจผิดในความเห็นเรื่องมรรคผลนิพพานชั้นสูงแล้วไปหาปฏิบาราอย่างผิดผิดมามันก็ไปเข้าข่ายสีละปะตาปรามาสเหมือนกันคือสีและพรดใดที่บุคคลลักษ์กระทำด้วยเห็นว่าอันนี้เป็นอกุศลสศนะ ไปสู่มรรคผลนิพพานได้นั่นเป็นสีลพสาลพัสอย่างนะไม่ต้องยกกรณีตัวอย่างาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทิฏฐินั้น <c oughs> ทำให้เกิดความสงสัยคือไอ้ทิฏฐิที่เรามีอยู่เนี่ยถ้ามันคิดปักลงไปเลยมันก็ทิฏฐิเต็มเหนียวเลยนะแต่ไอ้ความคิดปักของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราปักบางเรื่องบางเรื่องมันไม่ชัด ข้อมูลขอติถิไม่ชัดไอตัววิจิสามของเขามาหรือบางเรื่องมันปักลงไปแล้วมีใครมาพูดให้เหตุผลอย่างง่าอย่างนี้ในทางที่ถูกต้องเราก็ลังเลใช่ไหมล่ะคือเคยกลายว่ายัางรับกี่ดใด น, น้องด้วยอำนาจของทิติของเราซึ่งเรื่องนี้นะพระพุทธเจา้าตอนเราอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในท่านต้องใช้วิธีสารพัดเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าพูดแล้วทําลายทิถิ เอาได้ก็พูดถอนเลยแสดงถอนเลยถ้าแสดงไม่ได้ก็ให้ลังเลไว้ก่อนนะให้ค่อยยังชั่วให้กิเลสก็ยังชั่วเหลือแล้วค่อยมาปราบกิเลสไอ้ก็ยังชั่วในทีหลังกิเลสวามถึงจะไม่ถอนความเห็นนั้นแต่ให้ลังเลไว้ก่อ น, น, นเวลาที่เราไปพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องฝืนความรู้สึกคนเนี่ยผมก็จะออกมาทุกที่เหมือนกันหมดคือบางคนเนี่ยพูดแล้วก็ ไม่เกิดอะไรกับบางคนบางคนก็หลังเหลบางคนก็คลอยมาเลยมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เป็นอย่างนี้ทำไมละ่ะนี่เราย้อนมายานสองนิดหนึ่งยานสองเนี่ยละกลางขายานหนึ่งละท่ศเนื่องจากว่าการละนั้นมันยังไม่ได้ละสมุทเทยใช่ไหมมันละไอ้ความคิดปักใจอย่างอย่างที่เรียกว่าเต็มเหนียวไปเนี่ย ได้แต่ว่ามันยังเหลือไอเศษของของไอทิฐิมันออกมาในโลกของความลังเลในขันยังอยู่ก็ตกลงว่าไอวิจิกิฉานี่นถือเป็นของละเอียดกว่าจึงมีไว้ให้ละด้วยยานที่สองพอได้ยานสองก็ละวิจิกิจฉาเท่ากับว่าเป็นการบอกว่าละทิฐินั้นได้ลึกซึ้งขึ้นจึงละความเครือบแคลงอันเป็นเศษ หลงเหลือของความคิดของตัวเองที่เคยสั่งสมไว้ทีนี้มานะคือความถือตัวอันนี้ท่านบอกว่ามันเป็นผลหลงเหลือของทิฏฐิถึงขนาดบางคนเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยละทิฏฐิได้เด็ดขาดร้อยเอร์เซ็นนะ แต่ยังละไอ้ปกติปัจจัยของมันไม่ได้หมดไอ้กิเลสที่รับปกติปัจจัยของตัวอถ้าพูดอย่างเป็นภาษาให้ฟังดูง่ายท็นี่คืออุปนิสัยสิ่งหลงเหลือของความเป็นผิดมาเป็นมานะคือการยกตัวเอเพราะฉะนั้นเราอ่านในในเนื้อความที่ที่คัดไม่ให้ดูเนี่ยเราก็พลิกไปดูประกอบหน่อยอาหัง อะอาหารการมมังการอาหารการมมังการความจริงอาหางการมะมังการเนี่ยเป็นมานะนะฮะพระโสดาบันยังมีอาหางการมมังการไหมมีบางจุดละได้บางจุดปู่ทุชนนั้นยังมีเต็มร้อยคือยังไม่ได้ละสมุเทเฉดจะละได้ก็เป็นตะทางพะ เป็นโอกาสโอกาสกว่าเพอาเราอ่านเนื้อความเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่านี่คือทิฏฐิที่จริงไม่ใช่ในทิฏฐิระถาพระสัลยบุตรท่านหนึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยความเห็นผิดอย่างเช่นว่าพระผู้มีพภาตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อลูกมีอยู่เวทนามีอยู่สัญญามีอยู่สังขารมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณ อาศัยเพราะยึดมั่นวิญญาณบุคคลจึงเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไอ้คำว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นความคิดเห็นด้วยทิฏฐิเลยอย่างคนยังมีทิฏฐินะแต่ว่าถ้าพระโสดาบันเนี่ยยังมีของเราแล้วก็มองเห็นตัวตัวเองเนี่ยฮะไม่ได้เป็นตนแต่ว่าเป็นของมองอย่างเป็นของ เหมือนเรามีตุ๊กตาอยู่ตัวเราก็ไม่คิดตุ๊กตาเป็นตัวเป็นตนแต่เรายังยังผูกพันยึดถือในฐานะเป็นของรถก็ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมแต่เราก็ยังยึดว่ายังยังหวงรถใช่ไหมล่ะด้วยความรู้สึกก็เป็นของพระโสดาบันยังมีอย่างนี้พูดยากหน่อยแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ ในทางหลักการพยายามจะบอกไว้ตรงนี้ผ ม, ผมผ่านเลยไปก่อนเพราะฉะนั้นการถือตัวอะไรต่างๆนี้จึงยังมีประโสดาบันจึงยังมีผูธีละได้นั้นต้องเป็นถึงขั้นพระอรหันต์อ่นะพระนาคามียังมีมานะชั้นละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปกว่า ก็เป็นั้นว่าตรงนี้เราจะสรุปว่ายานที่หนึ่งละทิศทฐิชั้นกลางแต่ไอวิธิกิช่า ย, ยังต้องไปละในยานที่สองแล้วก็ไอสามตัวเนี่ยครับพระโสดาบันละได้พระโสดาบันละได้สามตัวนะฮะมันก็เลยทำให้เราเห็นชัิเจนว่าผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณไปโดยลำดับนี่เที่ยวแรกเดี๋ยที่ตรงละอย่างนี้ เป็นภาลต้องละสิ่งเหล่านี้เป็นพระโสดาบันจึงละได้ในสิ่งเหล่านี้และเมื่อมาทำวิปัสนาญาณใหม่เนี่ยวิปัสนาญาณหนึ่งญาณสองก็ไม่ไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแยกรูปแยกนามเนี่ยถึงไปนั่งแยกอีกมันไม่มีผลในทางละกิเลสมันก็ได้แต่รู้รู้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อีกแต่รู้เรียกว่าไม่มีคุณสมบัติเต็ม ของความเป็นญาณหนึ่งที่ผมบอกว่ารู้อะไรละอะไรบริสุทธิ์จากอะไรใช่ไหมละ่ะก็ไปตั้งกันที่ญาณที่สี่เลยอุทยพย า, ยานซึ่งมันยังมีกิเลสให้สู้ในญาณนนะั้นอีกหลายตัวเข้าเที่ยวแรกก็ละกิเลสไปได้ชุดหนึ่งเข้าได้เที่ยวสองก็ละกิเลสไปอีกชุดหนึ่งเอาละครับผมผ่านอันนี้ไป นี่ก็ขอวกกลับมาดูเอกสารหลักหน่อยพูดมาตั้งชงั่วโมงแ่ะยังไม่ได้เข้าเรื่องนลยกำลังพูดประเด็นมันก็ไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องแต่มันจะเป็นประโยชน์แก่เรื่องนี้เรากําลังจะเข้าเรื่องเดี๋ยวนี้อดูประเด็นที่หนึ่งที่ที่ขึ้นหัวข้อว่าโดยความอย่างรู้แห่งยานอย่างรู้สภาวะลักษณะของรูปทั้งหลายนามทั้งหลาย โดยชำนานที่ใช Pop ้คาว่าชำนานเนี well. ่ยเพื่อแสดงว่าต่างกับผู GPS ้ที่ท well ํายังไม่ได้ญาณทายังไม่ได้ญาณนี as ้ยังไม่ชำนานเห็นบางตัวเราชัดบางตัวไม่ชัดบางเวลาชัดบางเวลาไม่ชัดยังไม่ชำนานไม่ชัดลึกซึ้งเหมือนอย่างคนที่ได้ญาณที่หนึ่งเมื่อไม่ชัดลึกซึ้งไม่ชำนานก็ไม่ได้ญาณที่หนึ่งได้ญาณที่หนึ่งก็คือจุด สูงสุดของความชนนานาญเจนจัดในการกาหนดลักษณะของนามรูปแล้วก็ต่อไปที่ว่ากำหนดรูรปประทามนามมาทำเหล่านั้นโดยลำดับแห่งมุกต่างต่างกันอ่าข้อนี้นะ่ะเปงคคำพูดที่ต้องอธิบายมันคงไม่รู้ไม่ไม่ยัดที่ว่าลำดับแห่งมุกเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้วิธีการเข้ามาสู่นามรูปกาหนดเนี่ยถ้าเราเข้ามาทางมุกไหนมันจะมีขอบเขตเบื้องต้นนะ แล้วก็มีลาดับให้เราทำตามลาดับถ้าเราทำตามนัยยะของปฏิจจ์มันมีประเภทมีลาดับบอกไว้ใช่ไหมถ้าเราทำตามอายตนะอันนั้นไม่ได้ถือเอาลําดับเป็นกักเกณฑ์แต่ว่ามีขอบเขตวางว่าจะต้องกำหนดรู้ทางหูทางตาทางจ ม, มูกไอ้เงื่อนไขรายละเอียดสาหรับการทำนี้ก็เป็นไปแบบหนึ่งทีนี้ถ้าคนไหนทาแบบขัน กำหนดข<อ>ันกำหนดนามกำหนดรูปลำดับอาจจะต่างกันบางคนให้กำหนดรูปประขันบางคนเป็นหลักให้กำหนดเวทนาขันเป็นหลักอย่างนี้หรือถ้ากำหนดออิริยาบดใหญ่อิริยาบดย่อยมีที่ไหนบางคนเริ่มต้นก็ให้อิริยาบดใหญ่ก่อนไออิริยาบดเดินก่อนแล้วมานั่งแล้วมานอนแล้วก็เดินเพื่อดูเดินตามเวลานั่งเพื่อกำหนดนั่งตามเวลาไอสบู่ถึงไหนตำราเขาก็มาได้ไป ว่าอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ที่แน่ๆก็คือใครทําอย่างนี้กําหนดอย่างเขากลา่าวแล้วก็สืบลึกเข้าไปหาความเป็นรูปเป็นนามให้ละเอียดลึกยิ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุกเราทําแบบไหนอ่าแล้วเรารู้สึกว่าฟังฟังแล้วเราจะถนัดแบบไหนมันก็แต่ละคนแต่ละเรื่องอีกแล้วย่างที่ท่านจะถนัดไหมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูมีพระปลุ่มหนึ่งมาคนละครั้งคนละโอกาส องค์หนึ่งก็มาขอให้พระผู้เมียภาทรงสแสดงธรรมสั้นๆเพื่อหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวพระผู้เมียภาก็ตรัสว่าดูก่อนไิสู่ทลายอะไรที่ยังใจของเธอให้เคลิบเคลิมเธอตรงละความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเสียราองค์นั้นก็หัวไวมากบอกข้าพระองค์รู้แล้วใช้คน้อบไม่ต้องเทศต่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยังใจให้เคลิบเคลิมและข้าพระองค์ควรจะถอนความ พอใจในสิ่งนั้นพระผู้มีพระตาถามว่าแล้วอะไรล่ะหรือจะจะได้ให้พูดนะก็ความจริงท่านก็รู้ว่ารู้จริงไม่จริงนะแต่ให้พูดพูดแล้วก็ดีจะได้แม่นยําขึ้นก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณนี่คือสิ่งยั่งใจให้เคลิบเคลิ้มแล้ว้รพกลัวสอนความยินดีเราจะเห็นว่าพูดตรงนี้ไม่พูดว่ายินดียินร้ายด้วยนะเหมือนอย่างในตรตีประทานสูรพระพิจาโตอมันั้นพู้แค่นี้ ท่านก็เข้าป่าไปปฏิบัติอีกองหนึ่งมาท่านก็บอกว่าสิ่ง society, ใดไม่เที่ยงอันนี้เขาเรียกว่าให้มุกอนิจังแทะเติมความหมายใจรู้เรื่องอนิจังไว้ท่านคงรู้ว่าพระองค er. ์นี้อัตตกถาก็แก่เงันพระองค์นี้จะถึงทำได้ด้วยหมายความไม่เที่ยงเราฟังมามากเราก็รู้ว่าแต่ละคนมีบุพผาธการสร้างบุญสร้างอะไรจะรู้ พระไตรลักษณ์ข้อไหนมาต่างๆกันแต่เวลาเราแนะนํากันเราไม่รู้ครับแต่ตัวเราเองเรายงไม่รู้จะไปรู้กัหนึ่งได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าทันรู้ท่างก็บอกถูกเลยให้อันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังไว้เลยนะนี่ไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงรูปนี่ไม่เที่ยงนี่พระองค์นั้นฟังแล้วไม่มืดแปดได้เข้าใจอย่างเราฟังแล้วมืดแปดได้ใช่ไหมนะจะทําไงกันรู้เราต้องการรายละเอียดมากขึ้นเพราะนั้นเวลาเทศกับคนหมูมากบางทีถึงมีบางพวกเนี่ย บอกว่าฟังแล้วไม่รู้อยู่ให้ท่านขยายความอีกไม่กลับไม่ไปบางองค์รู้แล้วไปเลยคนไม่เท่ากันด้วยเหตุผลต่างๆที่เข้าใจแล้วคงฟังมาเยอะแล้วแล้วก็มาฟังหัวกะทิก็รู้เรื่องบางองท่านก็บอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ตนเธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นให้ได้ไอ้คำว่าละความพอใจก็มีความหมายทางลึกครับ ไม่ใช่ตื้นตื้นอย่างเราคิดทวนทวแล้วก็สิ่งใดไม่ใช่ของเราจงละความพอใจในสิ่งนั้นอะไรไม่ใช่ของเราก็นามรูปไม่ใช่ของเราแล้วพระองค์นั้นละได้ที่นั่นเลยหรือเปล่าองค์นี้ไม่บางองค์ละได้เดี๋ยวนะั้นบางองค์ต้องไปละด้วยการหลีกเล้นนะคือถ้าเป็นอุคติตันอยู่ฟังปุ๊บก็รู้ปั๊บยกหัวคอมีเยอะมีมากคนพวกนี้อย่างนางวิสาขานะ่ะฟัง บรรลุที่ไหนไม่ได้บรรลุในป่าไม่ได้บรรลุที่บ้านแต่บรรลุเมื่อฟังเทศหลายคนนะรวมทั้งประย์ด้วยแต่ว่าหลายองค์เนี่ย ย, ยกตัวอย่างอย่า ง, างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบนรรลุเมื่อฟังเทศใช่ไหมนะบรรลุรมรรคที่หนึ่งได้ฟังเทศเป็นอุกติตัรยูด้วยอด้วยมรรคที่หนึ่งแต่มรรคที่สอง พระสารีบุตรบรรลุเมื่อไหร่พระโมคคัลลานะบรรลุเมื่อไหร่มักต่อไปพระสารีบุตรบรรลุเมื่อฟังเทศที่เทศโปรดหลานตีฆานะกะปริภาชกเนี่ยผมผ ม, ผมพูดอย่างนี้แล้วผมต้องถามมาจําได้ไหมเพราะผมกลัวจะมาอาเอามาพราวห้ามาขายสวนได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วพระโมคคัลลานะบรรลุเมื่อฟังเทศหรือเปล่าเป็นลระหลานมาฟังเทศหรือเปล่า จำได้ไหมบรรลุไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นบรรลุที่ไหนก่อนจะบรรลุเป็นยังไงมาก่อนง่วงเนี่ยไหมนะอยู่ในที่หลีกเล่นพระพุทธเจ้าทรงแก้ไขก็บรรลุแล้วบางองค์เนี่ยครับต้องปล่อยให้ไปทำจนมีปัญหาแล้วกลับมาถึงเทศแล้วจึงบรรลุในที่ในที่เทศต่างกัน กันออกไปลักษณะอย่างนี้ความจริงมันมีตัวอย่างอยู่เยอะเข้าใจว่าจะได้เราเล่เาให้ฟังได้ในลาดับต่อไปเนี่ยเอาละตอนนี้เรามาพูดถึงว่าล่วงเลยอุปาทาบัญญัติเสียโดยแน่ชัดและถึงที่สุดคาว่าล่วงเลยอุปาธาบัญญัติเนี่ยคือเราเนี่ยจะติดเข้าไ่ถึงนามรูปถึง ถึงนามถึงรูปแต่ว่ามันก็เอาบัญญัติเข้าไปใส่อย่างที่ว่ามาบ่อยๆแล้วเช่นเราจับหัวแทนที่ว่าจับดินจับน้ําจับไฟจับลมนะไอ้มาพูดอย่างนี้ก็ฟังดูเป็นเรื่องชวนขำไปสําหรับเราอ่ะเราเข้าไปร้านตัดผมเราก็ไม่บอกเขาช่วยตัดดินทิ้ดินมันยาวมันนานแล้วอะไรย่างนี้ก็ไม่ได้พูดนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้บอกว่านั่งดินนั่งน้านั่งเ้านั่งอวินิโพเขาลูกพูดแล้วก็ชวนขำอีก เราก็อันนี้อเราก็มีความรู้สึกเดินเฮิร์นอะไรต่ออะไรอยู่เฉยๆตองกระจกอุปาทาอุปาทาเนี่ยแปลว่าอาศัยเกิดอาศัยเกิดอาศัยมีบัญญัติที่อาศัยขันบัญญัติที่อาศัยขันมีเรียกอุปาทาบัญญัติผมเป็นอุปาทาบัญญัติเพราะผมเนี่ยเป็นสมมุติแต่สมมุตินี้มันไม่ได้ไปอยู่กลางอากาศมันอยู่ที่ ขันรูปขันใช่ไมฮะหรือความคิดที่เราคิดว่าเออเราความคิดเป็นเราความคิดของเราอย่างนี้เป็นอุปาทาบัญญัิหรือไปดูดวงความคิดเห็นเป็นดวงดวงเป็นอุปาทาญญาัิที่เกิดขึ้นกับนามขันสารพัด ส, สารพันที่จะคิดคนธรรมดาก็คิดกันอย่างนี้ยิ่งเป็นคนวิกลจริตก็ยิ่งคิดไปกันใหญ่ แล้วก็ให้ความคิดอย่างนี้ถ้าคนไม่ปฏิบัติก็คิดอย่างคนไม่ปฏิบัติคนปฏิบัติแล้วสลัดไม่หลุดไปทางผิดมันก็ไปขยายเรื่องตามข้อมูลของการปฏิบัติไปสร้างอุ ป, ปาทาบัญญัติกับปรมัตดเหล่านี้ในอารมณ์ของการปฏิบัติจึงต้องระวังและเราก็ทดลองได้เลยครไอ้ถ้ามุดเราเป็นนักการศึกษาเนี่ยเราลองทําทําอย่างสมมติว่าอย่างวิธีที่ผมผมทํามุดเรา กำหนดเห็นอะไรเนี่ยบางทีเราวางความคิดไปอย่างเนี่ยมันออกไปอีกอย่างเลยอย่างเวทนาเราเนี่ยนะถ้าวางความคิดไปอย่างไม่จับลักษณะให้มั่นนะคล้ายๆไม่ขยยี่ตาสติให้ดีเนี่ยลองทาเบอร์เบอและพลิกให้มันเป็นสมุดเนี่ยเวทนามันเป็นให้เป็นควันก็ได้ให้เป็นสายน้ําก็ได้ลินเหมือนก็น้าตกถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็ต้อง อธิบายไปอย่างที่เราคิดแหละเราชอบเออเราชอบแบบน้ําตกก็เลยทําให้เห็นเป็นน้ําตกเป็นควันก็เห็นเป็นควันเป็นคล้ายๆพายุหมุนอย่างนั้นเราก็ทําให้เป็นพายุหมุนแล้วก็ชอบแล้วก็ไปเอาจริงเอาจังอธิบายก็ไปกิก็เจิงไปแต่พอเราทําความสํานึกจี้ลงไปว่านี่มันจริงหรือจริงๆคืออะไรเราก็ มันออกมาอีกอย่างอย่างที่ครับหลักการพยายามจะยืนในทางหลักการเราก็จับเลยโอ้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหายเลยนะไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นหายเนี่ยมันมันติดเข้าไปเราก็จะต้องระมัดระวังไปเป็นขั้นๆชั้นๆ น, น, น, นะะสําหรับคนที่ได้ยานหนึ่งเนี่ยต้องถอนสิ่งเหล่านี้และเราก็ได้ <c oughs> เกณฑ์พิจารณาขึ้นมาอันหนึ่ง ถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรแก่พวกเราเสนอความคิดแก่พวกเราคือถ้าเราไม่ใจะจะเป็นผู้ไปเที่ยวบอกกล่าวเอาจริงเอาจางังแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้หลักการนี้ให้ลองกําหนดอย่างนี้สินะสมมติว่าใครไปเห็นเป็นความคิดอย่างนู้นอย่างนี้ทํานองสมมุติใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ให้เขาดึงความคิดมายืนอยู่อย่างนี้ให้มีวิธีวิสูทธิ์ว่าให้ทํำยังไงมันถึงจะอยู่ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยยิ่งเราเพิ่มกําลังสติมันยิ่งชัดใช่ไหมละ่ะ แต่ถ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยไอเทีย ว, ว่ายิ่งชัดๆนะมันคือชัดแบบไปใส่ใจสมมุติแล้วถึงบอกว่าคนเวลาที่เขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเขาจะเข้าแบ่งความเป็นสมมุติและเป็นปรามัตดชัดเป็นของคู่กันอีกนะรู้ว่าอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นปรามัดถ้าไม่รู้ปรามัดถ้าไม่รู้สมมุติก็ไม่ชัดปรามัดเหรียญคล้ายๆตันว่ากรสาบ จริงกับกราสาบเก้เนี่ยถ้าเราไม่รู้กระสาบเก้ก็ไม่รู้กษสาบจริงรู้กษสาบจริงต้องรู้กระสาบเก้รู้เลยว่าอันนี้อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วก็รู้ว่าเราจะหมายกำหนดอันไหนให้แจ่มแจ้งแล้วก็ในส่วนที่บอกว่ากำหนดรู้ความเป็นอื่นจากกันของ รูปกับ น, นามตรงนี้แหละคือแยกรูปแยกนามและเป็นจุดเอกของยานที่หนึ่งไอท้ที่คนที่เริ่มทมาํามาครั้งแรกเนี่ยแค่ว่าจับรูปจับนามให้มันชัดนะฮะรู้อะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นประมาณแล้วตามให้ชัดอ ย, อย่างแจ่มแจ้งอย่างชานาญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแล้วเมื่อยากมันก็แยกรูปแยกนามไม่ได้ทีนี้ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาว่า ทำไมจะต้องมาแบ่งเป็นรูปเป็นนามคำตอบนั้นคือไอความชัดหรือไม่ชัดของความเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันเกี่ยวกับกิเลสครับมันเกี่ยวกีบกิเลสไม่ชัดเป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสนั้นคืออะไรทิฏฐิกิเลสถ้าชัดเป็นอารมณ์ของวิญญาและประโยชน์คือถอนกิเลสออกจากความไม่ชัดในความเป็นรูปเป็นนาม ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมจะหานประเด็นต่อไปแล้วก็จะอธิบายไปได้วยกันที่บอกว่าโดยการละเนี่ยอันนี้แหละครับมันเกี่ยวกับความกําหนดรู้ที่บอกว่าเห็นความเป็นรูปเป็นนามแยกจากกันเราเกิดทิฏฐิในเรื่องนามรูปเรื่องอะไรต่ออะไรในขั้นกลางเนี่ยมันเพราะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตามด้วยนะมันเพราะไม่ชัดเรื่อง นามลูกอา้าวคื อ, อยังไงเอามาแวะว่าตรงนี้ซะหน่อยคือคนในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดเป็นที่ต่างๆมากมายแล้วก็พูดอย่างในพระสูตรนหนึ่งที่ได้บรรยายไปแล้วที่ประนิพันธ์คือกัจจานะโคตรสูตรที่พระผู้มีพภาคตรัสตอบสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านกันจจยณะถาม ได้ได้ตรัสตอบว่าโลกโดยมากสุดตรงไปในสองสายคือเห็นว่ามีก็เห็นว่าไม่มีไอ้มีไม่มีเนี่ยไม่ใช่มีตนกับไม่มีตนนะทั้งคู่เนี่ยมันมีตนทั้งคู่และอธิบายตนว่าอายุของตนยืนไปถึงชาติหน้าก็มีเอ่อ ตนพบหน้าไม่มีมีแต่ภพนี้พวกที่เห็นว่าตนมีที่ใช้คาว่ามีก็คือ ส, ะสะตะัตตามีต่อไปในภพหน้าไม่รู้จบทั้งสองอย่างนี้อธิบายว่ามีตนทั้งนั้นเหมือนกับพวกที่สำคัญนิพานผิดที่แจกในเอกสารเนี่ยแล้วก็เห็นเลยละเขาบอกว่ามีตนแล้วก็กะเกณเอาตนไปนิพานตนถึงนิพานเหมือนกันหมดเลยเอาฌานเป็น นิพพานก็นิพพาานาาเป็นตนเอาการรมมาคุณห้าเป็นนิพพานก็มีตนีดียะถ้าท่านอ่านแล้วว่าจะเห็นนะไอ้ตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตายานหนึ่งนะั้นรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะอะไรเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นแต่ลักษณะของสภาวธรรมด้วยและมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่าง ลูกก็มีใช่ไหมนามก็มีพุ้งไงว่ามีมีเนี่ยหมายถึงมีสภาวะนะไม่ใช่มีตนอย่างที่ใช้ก็อัตตาเมื่อกี้มีนั้นคือมีตัวมีตัวตลอดไปไม่มีตัวตลอดไปเรียกว่าไม่มีในภพหน้าปฏเสดภพหน้าแต่รับว่ามีภพนี้มีจริงแต่ไม่ใช่คนใช้สัตว์เป็นแต่ลักษณะของสภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างนี้และสองอย่างนี้ เป็นปัจจัยหนุนเนื่องกันในวิปัสสนายานที่หนึ่งอธิบายตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ผมยังไม่ผมไม่พูดถึงเอาไว้พูดญาณสองแล้วไม่ใช่เรื่องสําคัญของญาณนี้ที่จะไปรู้เห็นตรงนี้อย่างจะแจ้งมีอย่างเป็นปัจจัยกันด้วยวิสุทธิมัจยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนตาดีกับคนไอ้คนตาดีขาหักกับคนตาบอดขาดีมันมาขี่คอกันใครขี่คอใครคนตาดีขี่คอคนขาหักนะ ก็อาศัยกันไปหาที่อาหารบริโภคนามลูกเนี่คล้ายๆอย่างนี้มันมันมาเกี่ยวกันแต่มีทั้งคู่นะไอ้คนตาดีก็มีคนค้าก็มีมาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นของเกิดดับนะมันเรื่องที่หลังแหละในยานนี้นะ่ะรู้อย่างนี้เมื่อไปรู้เห็นอย่างนี้ทิฏฐิสองอย่างอาศัยไม่ได้ เอาละ<ม> เ, ราเราทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายในในประเด็นต่อไปเอาอธิบายจอ น, นี้ก่อนอที่บอกว่าโดยการละเนี่ยละทิฏฐิชั้นกลางว่าเราว่าของเราตนของเราโดยกตะทางข้าประหารแล้วก็ละอัตานาุทิฏฐิที่สำคัญว่ารูปเป็นตนโดยความอย่างรู้ว่ามีนามอื่นจากรูป ละอัตตานุทิฐิที่สำคัญว่านามเป็นตนโดยความอย่างรู้ว่ามีรูปอื่นจากนามตรงนี้นะผมอ่านให้จบอธิบายให้ฟังต่อไปละอัตาอตานุทิฐิอัตตานุทิแปล ว, ว่าความเห็นตามตนความเห็นผิดคล้อยไปตามตนอธิบายตนว่าเป็นอย่างไรที่สำคัญว่ารูปเป็นตน เนี่ยเป็นฝ่ายอุเฉต ท, ทิติและอัจจานุติติที่สาคัญว่านามเป็นตนเป็นฝ่ายสัตสตทิติติเลยขออ่านให้ ใ, ห ใ, หใหไปถึงประเด็นสามเลยนะอธิบายมันสอดคล้องกันนะโดยความหมดจดเป็นทิฏฐิวิสุธทธิคือหมดจดจากความเห็นผิดชั้นกลางอันนี้ถือเป็นนิปรยายโดยตรงนะเป็นปฏิปักโดยตรงเป็นกิเลสโดยตรงที่ยานหนึ่งให้แก่ผู้ถึง เพิ่มความแน่ชัดแก่สัมมาทิฏฐิชั้นต่ำอันนี้มันบังเอิญมาเกี่ยวกันนหะครับคือคนมีความเห็นผิดชั้นต่ำเนี่ยเพราะไม่มีความเข้าใจไม่มีความเห็นเรื่องทิฏฐิชั้นกลางจูมะทิฏฐิชั้นกลางบอกไม่มีตนไอทิฏฐิชั้นต่ำเนี่ยมันอธิบายว่าตนเป็นยังไงใช่ไหมละ่ะอย่างผิดผิดอุจเจตสัสตะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนมาแจมแจ้งในความเห็นผิดชั้นกลาง ไอ้ความเห็นถูกชั้นกลางแล้วเนี่ยละลายความเป็ผีชั้นกลางแล้วไอ้เห็นผีชั้นตงก็เราตกไปด้วยจริงเป็นการเพิ่มความแน่ใจอันนี้ถือว่าเป็นเป็นผลรอยเป็นนิพเป็นปริยายและทิพีชั้นต่ําอันนี้ก็อย่างที่บอกอธิบายว่าละมาได้ก่อนคําว่าละได้ก่อนเนี่ยคือละขั้นนั้นเป็นประโยชน์แล้วแก่ผู้ทำเป็นการชําระความเห็นชั้นเตรียม ที่ควรแก่การจ ะ, จะเจริญในธรรมได้ในชั้นอาธิพรหมจันท ร, ร์คือสุตมยะยานเพราะึว่าอภิธรรมทั้งหมดเนี่ยอภิธรรมเนี่ยคือข้อสามนี้ให้ประโยชน์ข้อสามนี้คนที่เรียนอภิธรรมแล้วก็ได้สัมมาได้สัมมาทิฏฐิอันเป็นกลางไม่เป็นความเห็นสุดตรง ที่บาลีใช้เรามัดเชนะธรรมเทเสติคือให้ความปฏิบัามีสามฉันใดมิจฉาปฏิบัา2สองอัตตาอัตตร ก, ร ก, ก, รรกัมัานโยกามสุกันก็นโยกมัชชิมาปฏิบทาชฉันใดนะไอ้ปฏิบัานี่มันก็เกิดมาจากทิฏฐีนั่นเองทิฏฐีก็เลยพลอยเป็นสามคือทิฏฐิไฟ อุดเฉทะก็ฝ่ายสัตตะให้ปฏิปทาใปนคนละทางมีบางเอิญพูดในพระสูตรแล้วพวกที่เห็นว่าควรทรมานตนเนี่ยเป็นสัตตะติฏฐิมีความเข้าใจมีบทอธิบายในรูปในนามไปแบบครับพวกที่ <c oughs> เป็นการมสุขขันธิกาญโยก <c oughs> จุดหมายปลายทางคือ น, นิพพาน สำเร็จจากการบริบูรณ์ด้วยกามแล้วพวกนี้นะ่ะเป็นอุเชทะปฏิปทานี้เกิดจากอุเชทะแล้วก็มีความเห็นอันเป็นกลางที่เป็นประโยชน์แก่มัชชิมาปฏิปทาก็คือความเห็นไม่สุดตรงคือเห็นว่านามรูปมีแต่ไม่ใช่ตนไอ้ผูกนั้นเขบอกน้ำรูปมีน้ำรูปเป็นตน ลูกเป็นตนหรือนามเป็นตนก็อธิบายไปถึงชีวิตหลังตายเป็นคนละทางแล้วก็อธิบายหาปฏิปทาเพื่อบรรลุความสําเร็จสูงสุดในชีวิตไปคนละแบบมันก็เลยไปเกี่ยวกับไปถึงจุดสุดท้ายคือไปตีฆานิพพานไว้เป็นในในห้าข้อนะ่ะมันมีสองพวกนี้หละมีเป็นสองอย่างในข้อนี้นะเราจึงพูดได้ว่า คนที่มาได้สัมมาทิฏฐิที่ท่านกล่าว เ, เป็นจุนลโสจุลโสดาบันไม่ใช่พุทธพจน์โสดาบันมีแต่โสดาบันจริงๆอ่ะมันรุ่นอัตถกถามีจุลโสดาบันแปลว่าโสดาบันน้อยก็มีบิ๊กโสดาบันไอ้ไม่บิ๊กนี่ก็ไม่เรียกนะ บิ๊กโดาบัน์กับจุลโสดาบัณ์จุลโสดาบัน์นมีพูดไว้เป็นสองอย่างเลยครับอันหนึ่งนะจุลโสดาบัน์ที่สำเร็จด้วยปริยัตินี่เห็นว่าเรียนอภิธรรมไปไม่ต้องจบก้าบริเชษแค่บริเขตแปดรู้เรื่องเหตุปัจจัยของนามรูปรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปมาจากบริเชษอื่นแล้วเห็นเหตุปัจจัยออมาแล้วเป็นจุลโสดาบัณแล้วขั้นบริยัติ แล้วก็ไปปฏิบัติวิปัสสนาเห็นความเป็นเห็นสภาวะธรรมอย่างตามที่ได้เรียนมาได้ยานหนึ่งเป็นจุลโสระบันขั้นปฏิบัติทำไมถึงบังอาจเรียกว่าโสดาเพราะว่าคติคล้ายโสดาคือว่าถ้าเป็นโสดาเนี่ยครับโดยสีกแห่งความดีก็ได้ความดีเช่นศรัทธาในพระพุทธธรรมระสงค์นี้นะมั่นคงในซีกของการละความชั่ว ก็ไม่ไปถือศีลวัดออกนอกลู่นอกทางนะะไม่ไปตื่นมงคลตื่นข่าวแล้วก็ละความเห็นผิดต่ำๆแล้วก็เลยไปถึงขั้นกลางด้วยอนัตตาเข้าใจดีใช่ไหมก็น่ า, น า, นาจะเรียวกว่าจุลตนงนั้นพวกนี้คติเบื้องหน้าโอกาสจะไปทุกคติก็อยากแต่ไม่รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่ทิ้งทำก็ธรรมะก็ไม่ทิ้งคนนัะ ก็ประกันได้ว่าตายชาติหน้าไปนรกยากไปอาบายยากยิ่งปฏิบัติยิ่งยากนะฮะก็เรียกว่าจุนรับประกันชาติเดียวแต่ถ้าหากว่าคนเป็นโสดาบันจริงๆรับประกันทุกชาติที่ยังเกิดอยู่ไม่ไปอาบายแต่จุลโสดาบันไม่รับประกันว่าไปนิพพานนะเอาแค่ไปที่ต่า พอเดี๋ยวไปเกิดชาตินาไม่ไปอาบายแล้วเกิดไปออกนอกลู่น อ, อกทางนั่นอีกเรื่องท่านก็นเรียกว่าจุลโสดาบันนี่พูดไปพูดมาแล้วก็ได้กำลังใจขึนมนิดนึงว่าเรานี่พอจะคุยได้ว่าโสดาบันแล้วนะบอกเนี่ยผมเป็นโสดาบันมาหลายปีแล้วนี่ตั้งแต่จบบริเกศแปดนี่ตั้งแต่อายุยังไงน้อยอยู่จุลโสดาบันมานานนะไอ้จบบริเกศแปดเนี่ยมันคุยได้เต็มที่ ว่าเรียนมาแล้วจริงๆสอบได้ว่าจบไม่จบแต่ายานหนึ่งนี่ปัญหาเยอะไปพูดพูดแล้วมันเรื่องของใครของมันเลยทีนี้เพราะฉะนั้นยานหนึ่งที่กล่าวถึงการแยกจึงเกี่ยวกับการละกิเลสสุดต่งสองอย่างเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ปฏิปทาสายกลาง ด้วยทฤษฎีเบื้องต้นที่เรียนรู้เรื่องทิติสายสายไหนสายไหนเนี่ยนะแล้วปฏิบัติตามสายกลางก็ได้รับความสําเร็จในขั้นปฏิบัติสายกลางสัมมาทิฏฐิสายกลางก็เกิดว่านามรูปนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่ใช่ตัวตนทั้งคู่ไอ้พวกที่เขาบอกว่าตายแล้วเกิดอัตตาตายแล้วเกิดรูปไม่ใช่อัตตานามเป็นอัตตาตายแล้วจึงยังมีอัตตาอยู่มีคือมีอัตตาอยู่ เป็นสัตตตและพวกที่บอกว่าน้ำไม่มีมีแต่รูปความรู้สึกนึกคิดไม่มีตัวตนจริงมันเป็ น, นกลไกของสลีละยน์นี้เท่านั้นพังเมื่อไหร่ก็หมดเพราะนั้นอัตตาคือตัวเราคือผมคนและฟันอังเนี้อั น, นี้มันแปลกอย่างหนึ่งว่าพวกที่เชื่อว่าอัตตาหยาบเนี่ยเห็นรูปซึ่งเป็นของหยาบเป็นอัตตากิเลสก็พลอยหยาบไปด้วยใช่ถูกม กิลพอหยาไปด้วยถ้าลองยึดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเท่าไหร่ไม่เห็นคุณค่าของใจเท่าไหร่นะจริยธรรมโอกาะ เ, เรียกว่าจาริยธรรมต่ำด้วยอำนาจของมันนะนอกจากจะมีไอตัวปรุงแปรปัจจัยอื่นเข้ามามาเสริมมาอะไรก็อาจจะทำแล้วก็ยิ่งทั่วไปแต่ถ้าคนเชื่อว่ามีอัตตาเนี่ยจะตีคุณค่าลึกไม่ให้ความสาคัญแก่ร่างกายมากนะ พวกนี้ก็จริยธรรมสูงกว่าก็เียกว่าดีกว่าอนาคตแต่คนที่เห็นเป็นกลางเนี่ยดีที่สุดพอถึงยังไงถ้าไม่มีตัวนะยอมรับหลักการว่าไม่มีตัวและเห็นความไม่มีตัวความเห็นแก่ตัวใดๆมันก็ค่อ ย, อยงชั่วเล่าไปแล้วถ้าละความรู้สึกก็มีตัวได้ขั้นโัดาบานันก็ไม่เห็นแก่ตัวเลยไม่เห็นแก่ตัวเลยจริงๆ ไม่ว่าจะความเห็นแก่ตัวนั้นจะเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวในทางวัตถุ ก, กรามก็ไม่แย่งเยอะใครแล้วก็ทางทิศทีคือความเห็นที่สมณาพรามก็ทะเลาะกันในเรื่องความเห็นโสดาบันก็ไม่ทะเลาะ ก, กับใครด้วยแย่งข่าของความเห็นเนี่ยคือไม่เห็นแก่ตัวเลยจริงๆคือพระโสดาบันอย่างเราก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นขั้นจุนลโสดาบัน เพิ่มความเป็นญาติเป็นโยมกับพระโสดาบันให้ได้ภูมิใจไว้บ้างเล็กน้อยนี่คือสาระสําคัญของอันนี้และถือว่านี่เป็นการวิปัสนาขั้นเตรียมพร้อมได้หลือครับขั้นเตรียมพร้อมเพราะคนที่เห็นว่าเป็นตนเขาบอกว่าไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอนัตตาใช่ไหมเป็นตนของเขาอถ้าถามว่าไอ้แยกรูปแยกนามเนี่ย พวกที่เป็นสัตตตาทิถีเขาไม่มีความคิดแยกรูปอยกนามเลยถ้าไม่คิดแยกเขาจะมาพูดได้ยังไงว่านามมีอยู่เป็นแผนกหนึ่งรูปมีอยู่เป็นแผนกหนึ่งไออุเฉททิถีนั่นะมันแน่ละ่ะไม่ี่้ค่าแยกขาดไปเลยเพาไน้ำไม่มีมีแต่แตงงรูปแล้วยานที่หนึ่งต่างกับเขายังไงแยกรูปแยกนามยานี่ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ เราถือว่าไม่ใช่ตัวตนและถ้าในขั้นนี้ก็แค่นี้ก่อนมีสภาวะจริงๆที่เห็นต่อหน้าต่อตาเป็นสภาวะของการแตกกระจายกลุ่มก้อนแล้วก็ขาดจากกันจริงๆและมันเกิดมันดับเป็นในจังทุกครั้งหน้าตาต่อไปที่จะเห็นจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยอมรับหลักการไว้แล้วแ ต, แ, ตแต่ยังไม่ปิบัติพอมาปฏิบัติตรงนี้ก็พอเห็นคร่าวๆบ้างแต่ยังไม่ ไม่เป็นเรื่องจริงจังไม่เป็นของมุกเฉพาะหน้าแต่คนที่เป็นศัสตาเนี่ยเขาถือว่าสมมติว่านามเป็นตนเนี่ยเขาคิดบ้างไหมเชื่อบ้างไหมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เชื่อเพราะอนัตตาเนี่ยลองตั้งหลักอนัตตาแล้วมันหมายความว่าปฏิเสธอนิจจังด้วยปฏิเสธทุกขังด้วยถ้ายอมรับอนัตตาแล้วมันยอมรับอนิจจังทุกขังด้วย อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนอย่างประสูตรที่คัดมาน ะ, ะดูสักหน่อยก็ได้ครับดูหน่อยนะในเอกสารชุดห้าในหัวข้อที่ในข้อความที่ตรัสว่าสิ่งใดไม่ใช่เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา จะคัดมาหรือเปล่าผมก็แปดใช่ไหมก็แปดเลยก็แปดใช่ไหมเหลอฮะแหมผมต้องต้องเลิกบรรยายทะานมาคัดมาเองงงเสเองข้อที่แปดนะย่อหน้าที่สองที่ตรัสเนีคนละสูตรกันนะอ่บอกว่าดูก่อนวิสูตทั้งหลายจากสู่โสตากาณาชีวะกายะมโนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือพอบอกว่าอนัตตาเนี่ยคือเป็น อ, อ, อ, น, อ, น, อนัตตาหลักใหญ่ก่อนที่มันเป็นผลที่ได้รับความเข้าใจเด่นขึ้นมาของความอนัตตาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวจากอนิจจังทุกขัง อ, อ, อธิบายเห็นอนัตตา และนัตตาก็เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจซอกแซกเป็นสามไหนไห น, นะฮะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คืออบางทีก็แสดงอย่างยอ่อว่าเราก็ของเราีเป็นอย่างสองอย่างอย่างสามอย่างก็เราของเราตัวตนของเราอธิบายเป็นสามตรงนี้ผมจะไม่อธิบายเป็นพิสดารนะให้ฟังเป็นคร่าวๆก่อนนะอธิบายแล้วรายละเอียดมันเยอะเคยอธิบายในบางที่ไว้แล้วเหมือนกันอันนี้ครับเป็นเป็นบทนอธิบายที่ รับกันว่าสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามนั้นแยกกันและไม่ใช่ตัวตนแต่พวกนั้นก็ถือว่าจะเอาตัวตนเป็นอะไรก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วพวกที่เขาถือว่าร่างกายไม่เที่ยงเขาก็พูดอย่างสมมุติเท่านั้นพวกที่ถือว่าอาตามันมีอัตามันไ ม, ไม่เกิดดับเนี่ยนะเป็นอัตตาถึงเขาจะยอมรับร่างกายไม่เที่ยงก็พูดอย่างในแค่สมมติเท่านั้นและเพราะความเข้าเชื่อว่าอัตตามี อันตาอยู่ในร่างใดก็พลอยยึดไปด้วย